ท่านฟังคะก็ได้ปฏิบัติธรรมกันิดตามสมควรได้รู้ลมหายใจซึ่งเป็นหลักการอาณาปานาสติที่พระศ า, าสดาได้ตรัสสอนแล้วท่านมาร์กเนี่ยนะคะก็จะได้อ่านพระสูตรเกี่ยวกับในเรื่องของการปฏิบัติให้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติตามกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วพอมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงคําถามที่จะได้กราบเรียนท่านพบูบุญซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การปฏิบัตินี่อยู่ด้วยเหมือนกันนะนะคะช่วงที่เราเรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะเรามาพบกับพระอาจารย์ไพบูลอภิปุรโอวัดปาดอนหายโศกน้องหานอุดรธานีกันได้เลยค่ะนวัตการคะท่านคะใช่เจอรีนปอนอถ้าพูดถึงเรื่องลมหายใจก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงนี้ที่บอกว่าแค่สังเกตลมหายใจเนี่ยแม้กายก็ระงรับแม้จิตก็ระงรับแม้วิโตวิจารณ์ก็ระงรับ ผ<พ>ลที่สังเกตลงไปใจแล้วเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าความคิดอะไรต่างๆนี่มันฟุ้งซ่านเนี่ยจะดับไปได้ง่ายกว่าวิธีอื่นๆอย่างนี้นะค่ะต้องลองไปปฏิบัติคือฟังแล้วต้องลองไปปฏิบัติใช่เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ใครบอกก็ไม่เหมือนกับที่ทราบด้วยตนเองนะคะท่านถูกต้องนี่แหละเป็นลักษณะของธรรมะที่รู้ได้เฉพาะตน อธิบายยังไงกรอกหูแค่ไหนหรือว่าจับยัดหไอยอ่านอะไรต่างไม่เข้าทุกตัวเองต้องทำเองค่ะในบทสวดจะอยู่ตรงที่บอกปัด จ, จัดตาเวที่ตับโพใช่รู้ได้เฉพาะตัถูกไหมคะใช่ใชค่ะท่านคะทีนี้คำถามที่ว่าเกี่ยวกับลมหายใจนะคะ<ม>คำถามของคุณนิดซึ่งติดค้างจากเมื่อวานนี้ถามมาว่าจิตอยู่กับกายหมายถึงอยู่กับลมหายใจไม่ทราบว่าเข้าใจถูกหรือไม่คะ ออีละบทเชนะคำว่าจิตอยู่กับกายเนี่ยจิตอยู่กับกายเนี่ยไม่ใช่พุทธวจนะนะถ้าเป็นพุทธวจนะเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะบอกว่าให้มีฐานที่ตั้งของสติคือกายก็คือกายานุปัสนาสติปฐานให้กายเป็นฐานที่ตั้งของสติ น, นี่คือคำว่าจิตอยู่กับกายทีนี้คำว่าสิ่งที่ที่เราต้องการเป็นเป็นฐานที่ตั้งของสติคือกาย สิ่งที่เราต้องการเนี่ยไม่ใช่กายนะสิ่งที่เราต้องการกคือสตินะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเหตุกับผลให้ถูกเหตุก่อนเหตุ <ate> ของการมีสติเนี่ยคือคุณใช้กายได้ใช้กายเป็นฐานที่ตั้งของสติได้ใช้อะไรนอกาได้อีกนอกจากกายเวทนาก็ได้เวทนาทำให้มีผลคือสติได้ใช้อะไรนอกจากเวทนาได้อีกใช้จิตก็ได้จิตเป็นเหตุให้ผลคือสติได้ใช้จิตแล้วใช้ธรรมะก็ได้ ใช้ธรรมะหมวดต่างๆเนี่ยเอานิวรก็ได้เนอะ้าธรรมะที่เป็นอกุศลเนี่ยทําให้จิตเนี่ยทําให้จิตเนี่ยมีสติได้ทีนี้กลับมาประเด็นที่ว่ า, ากายคือลมหายใจถูกต้องอันนี้เข้าใจถูกก็ใช้ลมหายใจคือใช้กายให้เป็นฐานที่ตั้งของสติถ้าพูดอย่างนี้ถูกต้องใช้กายให้เป็นฐานที่ตั้งของสติอก็คือกายนี้ก็คือลมหายใจ เป็นใช้ลมหายใจให้เป็นฐานที่ตั้งของสติได้นะอันนี้ก็คืออนาปานสติสูตรอการที่บอกว่าให้รู้ลมหายใจนี่ก็คือการบอกว่าให้ใช้กายเป็นที่ตั้งของสติลมหายลมหายใจนอกจากจะเป็นกายแล้วนะยังเป็นเวทนาด้วยเป็นความรู้สึกคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสัมผัสของลมหายใจในในโพรงจมูกเนี่ยก็เป็นเวทนาได้ค่ะแต่ถ้าท่านจะสงสัยในเรื่องว่าเป็นกายหรือเปล่าลมหายใจเป็นกาย แน่นอนในความหมายนี้ฟันธงมีคำถามต่อค่ ะ, ะคุณนิดเนี่ยขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะว่าคนที่ใกล้จะตายจะใช้วิธีนี้แล้วทำให้หลุดพ้นได้หรือไม่คะอ๋อแน่นอนเลยเยังได้เคยตรัส ก, กับพระราหุล น, นะว่าคนที่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยะจะรู้แม้กระทั่งลมหายใจสุดท้ายของจิตนะลมหายใจสุดท้ายแล้วจิตดับไปเนี่ย ก็ยังจะรู้มีสติรู้ตัวอยู่โอ้โหคนมีสติรู้ตัวระดับนั้นนะคุณยมติว๋วไม่ธรรมดานะไปดีแน่นอนเพราะฉะนั้นคนยิ่งคนใกล้ตายเนี่ยต่อให้คุณมีเครื่องช่วยหายใจเลยเสียบคาคอไว้เครื่องมันตั้มอยู่ขึ้นลงเราก็มีสติอยู่ได้กับลมหายใจประเภทนั้นสิ่งที่ต้องการเราไม่ได้ต้องการลมหายใจนะคุณติว๋วเราต้องการสติเข้าใจปะเราไมไ่ต้องการกาย<อ>เราไม่ต้องการใจไม่ต้องการจิตเมียนาอะไรทั้งสิน้นอะเราต้องการสติ นะจิตที่มีสติเนี่แหละจะสามารถทําสมาธิให้เกิดขึ้นได้จะสามารถทําปัญญาให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นยิ่งคนตายานะโอ้ยดีมากเลยถ้าเขาจะใช้วิธีนี้ได้แน่นอนอืเท่ากับว่าท่านกำลัจะบอกว่าหากคนที่ใกล้จะตายคนนั้นได้มีความรู้นี้แล้วพยายามรู้รู้ลมหายใจใชเท่ากับว่ากําลัง จะมีสติตั้งอยู่กับลมหายใจที่คือกายในความหมายนี้ถูกต้องถูกไหมคะแล้วสติเป็นตัวสำคัญใช่ที่ผลของการที่ปฏิบัติเช่นนี้เพราะต้องการให้มีสติที่ฉันจะกราบเรียนถามคาถามสาคัญทดิฉันเองก็ไม่เคยสงสัยแบบนี้ก็เกิดไปเจอเพื่อนคนหนึ่ง ใ, ในวันที่เชิญเขาไปประชุมที่กระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นแม่งานรณรงค์ให้คนไทยทั้งประเทศ ช่วยกันปฏิบัติตามมักมีองค์แปดข้อหนึ่งก็คือเรื่องสัมมาวาจา oh, uh huh. เพื่อถวายพระพุทธเจ้าในห้วงวิสาขะปีนี้ไปถึงปีพุทธชยันติ 2,600 ปีที่เรามีพระพุทธเจ้าปีหน้านะคะ uh huh. เพื่อนดิฉันเนี่ยบอกว่าว่าพี่ถามหน่อยเถอะสติเนี่ยมันเหมือนกับไอสติธรรมดาของคนปกติั้ยที่เหมือนกับเวลาเราจะเจอเหตุการณ์ที่มันฉุกระหุแล้วเราต้องตั้งสติอย่างเงี้ยนะคะเช uh huh. ่น บางทีน้ําร้อนลวกเราก็ยังมีสติในการที่จะทําวิธีการปฏิบัติต่อตัวเองให้ถูกต้องต้องเอาของเย็นใส่ไม่ทําอย่างอื่นอะไรองนี้เป็นต้น น, นะคะสติเดียวกันไหมคะที่พูดอยู่เนี่ยสติตรงนี้คือสติปะฐานสติโดยตัวมันเองเนี่ยนะพระพุทธเจ้าบอกว่าคือจําสิ่งที่ทําคําที่พูดแล้วแม่นานได้สิ่งที่ทําคําที่พูดแล้วแม่นานได้นี่คือสติโดยตัวทั่วไป ทีพระเจ้าเติมสัมมาสติเข้าไปนะสัมมาสติสัมมาสติเนี่ยคือไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ทําไม่ได้พูดถึงคําที่พูดแต่พูดถึงจิตนะพูดถึงจิตว่าให้จิตเนี่ยมีสติคือการรู้อยู่พูดถึงจิตเลยนะแล้วเอาอะไรมาเป็นทำให้จิตเนี่ยมีสติได้กายก็ได้เวทนะก็ได้จิตก็ได้ธรรมก็ได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่ากายนปปน า, า, น า, นานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนะนุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยสอย่างเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็น สัมมาสติไงต้องเข้าใจคาว่า<ะ>สติก็อันหนึ่งสัมมาสติก็อันหนึ่งเพราะฉะนั้นสติที่คุยคนต้องมีเวลาเตาเอาน้ําร้อนรวกอะไรต่างๆเนี่ยคุณต้องมีสติถูกต้องอันนี้สติธรรมดานะแต่สัมมาสติเนี่ยไม่เหมือนกันทีเดียวอือถ้าสมมุติว่าจะพูดถึงธรรมะของพระพุทธองค์จะไม่มีการพูดถึงสติธรรมดาทุน่ทนๆหรื อ, อยังไงคะมีมีก็จะพูดถึงอ เครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าก็จะมีคําว่าสติอยู่ด้วยนะคือบางทีพระเจ้าก็ใช้คําว่าสติเฉยๆบางทีพระเจ้าก็ใช้คาําว่าสัมมาถ้าพูดอยู่ในมัชเนี่ยจะใช้คําว่าสัมมาสติแตถ้าพูดเดี่ยวๆเนี่ยก็จะใช้คําว่าสติเฉยๆค่ะถ้าสติซึ่งเป็นเรื่องของส่วนหนึ่งของการหลุดพ้นการปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติเพื่อถึงการหลุดพ้นแล้ว หมายความถึงสัมมาสติอย่างเดียวเท่านั้นถูกก็คือคสัมมาสติเนี่ยจะเป็นสับเซตของสติทั้งหมดเข้าใจไหมอ่าพูดงี้ดีกว่าแต่ว่าเป็นสับเซตที่ดูเหมือนก็ใหญ่กว่าสติทั่วทั่นะครับท่านเพราะฉะนั้น<ถ>คือถันสับนี่มันแปลว่าเล็กกว่านะคะใช่เล็กกว่าคืออย่างการมีสติทั้งหมดเนี่ยพรุทธเจ้าก็ยังมีบอกว่ามีสติในกิจการงานก็ได้จิตอธิษฐานการงานให้มีสติแบบนั้นก็ได้ นะซึ่งสัมมาสติก็จะอยู่ในนั้นด้วยเพราะนั้นคือถ้าสติคาเดียวเนี่ยจะใหญ่กินความมากกว่าสัมมาสติค่ะนะคะนั้นก็เข้าใจกันมากขึ้นเพราะที่ฉันเองก็ตอบเพื่อลำบางกันนะคะที่จะมีผู้ทวจนะเข้าไปประกอบด้วยอย่างนี้จะได้เดี๋ยวจดจําไว้เอาไปอธิบายต่อไปทั้งคะที่นี้คุณนิดเองสงสัยอีกเรื่องเกี่ยวกับพบกับชาต ต้องการให้ท่านได้ช่วยอธิบายคำว่าพบกับชาติคะ่ะพ บ, พบเนี่ยพอสัมภาวอัมพา่าพอสัมภาวพอผ่านพบนี่ตรงนี้ก็แปลว่าที่เกิดชาตินะก็แปลเป็นภาษาไทยว่าการเกิดเรื่องการเกิดกับที่เกิดมันก็จะสัมพันธ์กันอย่างนี้บอกว่าจิตเนี่ยจิตของเราเนี่ยนะคุณโยมติว๋วถ้าไม่มีที่เกิดจิตมันจะไปเกิดไม่ได้ ก็คือถ้าไม่มีภพเนี่ยมันก็จะไม่มีชาติไม่มีการเกิดถ้าไม่มีที่เกิดก็ไม่มีการเกิดจิตไม่มีที่เกิดจิตก็จะไม่ไปเกิดที่เกิดคืออะไรโดยพุทธวจนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าภพนะคือการมาภบรูปภบรูปภบรูนะ่าบก็คื อ, อมีการมีที่ที่จะไปเกิดอยู่ได้3ที่นี้แหละไปเกิดในภพที่เกี่ยวข้องด้วยกามอย่างเช่นมนุษย์เทวดาหกชั้นแรก เกี่ยวข้องด้วยรูปนะใช้รูปก็คือพวกที่พรมที่ชั้นเป็นรูปประพรมแล้วก็ชั้น ร, รูปประพบนะก็คือที่กายเนี่ยสำเร็จด้วยสัญญาไม่มีไม่มีกายที่เป็นรูปนะแต่เป็นกายที่เป็นสัญญาทีนี้ถามว่าแล้วพพเนี่ยคือที่เกิดนี่แหละพูดง่ายๆโลกนี่เป็นที่เกิดเป็นพบได้ไมโครโฟนเป็นพบได้ปากกาเป็นพบได้นาฬิกาเป็นพบได้ ที่เกิดได้ทำไมเป็นอย่า ง, งานั้นทำไมถึงว่าอย่า ง, งานั้นที่เกิดของอะไรคุณติว๋วที่เกิดของวิญญาณที่เกิดของจิตใช่ไห ม, มสมมติว่าจิตเนี่ยจะไปยึดถืออะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งจิตยึดถืออะไรได้บ้างคุณติว๋วยึดถือนาฬิกาก็ได้อา่าไมโครโฟนก็ได้หลอดไฟก็ได้ยึดถือได้หมดเพราะฉะนั้นพวกที่จะไปยึดถือได้ตรงนั้นนั้คือที่เกิดแล้วของจิตพระพุทธเจ้าเนี่ยปเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบที่เกิดตรงนี้ว่าเป็นเหมือนกับดินนะดินเนี่ย ก็คืออะไรคือขันอีกทั้งสี่ขันเป็นเวทนาสัญญาสังขารหรือรูปรูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ขันที่เหลือเนี่ยจะเป็นที่เกิดของอะไรของจิตวิญญาณเนี่ยจะลงไปเกิดไปก้าวลงเพราะฉะนั้นการที่จะไปก้าวลงตรงเนี้ยมันต้องมีที่ให้มันไปที่ที่มันไปตรงนี้แหละคือพบเพราะฉะนั้นพบเนี่ยคืออะไรคือทุกอย่างแหละที่ไม่ใช่วิญญาณเข้าใจไหมค่ะ่าคือในบรรดาขันห้าขันทั้งสี่ เป็นพบได้ทั้งหมดถูกต้องรองเท้ารองเท้าที่คุณใส่อยู่วันเนี้ยตอนเนี้ยก็เป็นที่เกิดของจิตคุณได้อืมค่ะอืมพบจึงแปลว่าที่เกิดใช่ส่วนชาติแปลว่าการเกิดอ่าพอการที่มันเจริญเติบโตขึ้นมาสมมติเรายึดรองเท้าใช่ไหมรองเท้าของฉันเท่านั้นนะใครอย่าแตะหรือรถของฉันใครอย่าแตะอย่างงี้นะจิตของเราเนี่ยไปเกิด ในรถแล้วเกิดแล้วนะรถนี่เป็นที่เกิดของจ<ะ>ิตเราแล้วนะเวลามันไปเกิดเนี่ยมันก็จะมีการปรุงแต่งต่อเนื่องว่าอ้ยเติบโตขึ้นมาละอย่านะใครอย่าแตะแต ะ, แ, ตะแล้วฉันจะจีด๊ดฉันจะด่าฉันจะเรียกประกันอย่างนี้เนี่ยเกิดเติบโตขึ้นมาละเพราะฉะนั้นพอมีการเกิดแล้วก็จะมีอะไรความแก่ความตายความโศกความร่ำไรสัมพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับความขับแค้นใจทั้งหลายจึงปรากฏขึ้นครบถ้วน ถ้าเป็นรถแล้วมันจะแก่จะล้ำลายลําพันอะไรเหรคะท่านคะอะไรที่แก่คุณติว๋วคือจิตของเราไงจิตของเราก็จะเสื่อมจากความที่โอ๊ยรถเหรอเก่าละไม่เอาทิ้งอย่างนี้แก่แล้วนะตายแล้วนะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่เกิดในรถนะแล้วไปเกิดในไหนเกิดในรถคันใหม่ซื้อรถใหม่ค <c oughs> ันเก่า <c oughs> ทิ้งอย่างนี้คันเก่ายังไม่ได้เก่าไม่ได้แก่เลยเลยนะแต่จิตของเราต่างหากที่แก่แล้วก็เบือ่อแล้วก็เซง็งแล้วก็ทําลายไป แตนะ่ถ้าท่านพูดแบบนี้เปรียบเทียบกับเรื่องรถจิตมันเบื่อรถคันเก่ามัน ช, ชาราแล้วมันแก่และจิตไปชอบรถคันใหม่ ม, มันยิ่งทุกข์หนักเลยนะคะถ้ายังไม่มีความพร้อมที่จะทิ้งรถคันเก่าเพื่อมาซื้อรถคันใหม่อะคะ่ะเห็นไหมความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกต้องหมุนด้อมมีด้วยอาการอย่างนี้นี่พุทธวจนะนะอืมค่ะ เพราะฉะนั้นใน เ, เรื่องพบที่บอกว่าเป็นละลายพบหลายๆชาติเนี่ยเอาแค่ง่ายๆเราเอาพูดถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่ในปัจจุบันอย่างรถยนต์ที่ออกมาใหม่ๆเราซื้อรถมาแค่3ามปีไม่ถึง15แค่5ปีอย่างเงี้ยเราบอรถเรายังไม่ทันเสือ่อมไม่ทันโซมอะไรเรารุ่นใหม่มันออกมาแล้วอ่ะโอ้จิตของเรานี่แก่ลงตายจากรถคันเก่าทันทีนะแล้วจิตของเราเนี่ยไปเกิดในรถคันใหม่ทันทีพอไปเกิดในรถคันใหม่ทำไงยังไม่ได้ทุก อยู่กรับรถคนข่าวทําไงอยากจะจ ะ, จะแก่เอามันจะทิ้งมันแล้วก็ทุกอีกอ่ะก็ทุกคูณสอง <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นนี่คือกามาพบนี่ที่เราจับต้องได้เนี่ยเป็นกามาพบทั้งนั้นรูปประพบคืออะไร <Okay. S 1> รูปประพบก็คือคนที่เราวันนั้นเราคุยกันคุณติว๋วที่ว่าคนที่นั่งสมาธิแล้วก็แบบว่ า, ายึดมั่นในความสุขอันนี้มากจนกระทั่งออกจากสมาธิแล้วก็ วุ่นวีวุ่นวายดา่าคนนู้นคนนี้ยังมีอารมณ์ขึงเครียดอยู่ใช่ห <c oughs> นี่แหละคือภพที่ไปเกิดของเขาจิตของเขาเนี่ยมีสมาธิอยู่แล้วเขาจิตของเขาเนี่ยนะไปเกิดในสมาธินั้นยึดว่าไอเ น, นี้ยเป็นของฉันเพราะฉะนั้นรูปประพบตรงนั้นเนี่ยสมาธิที่เกิดจากการเพ่งรูปของเขาตรงนั้นเนี่ยเป็นรูปประพบของเขานึกออกไหมค <c oughs> คนที่ได้สมาธิขั้นสูงขึ้นไปอีกเป็นขั้นเป็นขั้นอรูปสัญญา สมาธิที่เกิดตรงนั้นเนี่ยแล้วจิตของเขาเข้าไปเกิดตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยคืออะรูปประพบอ่าเข้าใจเนาะใชไคะนี่ก็เป็นคร่าวๆเอาความรู้เบื้องต้นที่ว่าอย่างน้อยก็ได้รู้ละ ว, ว่าภพเนี่ยมีอยู่สามแบบใช่แล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของเป็นที่เกิดถ้าไม่มีภพจะไม่มีชาติอืม เพราะว่ามันจะไม่สามารถมีการเกิดเกิดขึ้นได้ก็น่าที่จะเพียงพอแก่การที่คุณนิดจะเข้าใจแล้วมั้งคะเข้าใจได้แน่นอนเป็นเรื่องง่ายๆมากเืมค่ะทั้งนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดประณีตแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องพยายามสร้างความเข้าใจกันให้มากขึ้นเพราะว่าเรายังมีความเข้าใจกันอีกแบบหนึ่งเอามาคุยต่อในวันถัดไปก็ได้โอค่ะเพราะว่า เพงก็คุยเพลินะนะคะยังไงก็นมัส ก, การขอบพระคุณพระจันทร์เพริบุญญาิบุญโนไว้สําหรับสัปดาห์นี้ก็ต้องมาคุยกันในสัปดาห์หน้าแล้วล่ะนะคะในรายการนี้ค่ะนมัส ก, การขอบพระคุณคะ่ะต้นควงที่เคารพค่คคะแล้วก็ติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ใหม่ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์หน้าก็แล้วกันนะคะตั้งแต่เวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งเป็นต้นไปท่านใดที่มีความต้องการหนังสือแจกปาลาสามเล่มก้าวย่างอย่างพุทธะซีดีแจกเวลาห้าแผ่น ไม่ถึงหนึ่งคนต่อหนึ่งเล่มหนึ่งคนต่อหนึงแผ่นน ะ, นะคะที่ศูนย์2269ศูนย์ศหค่ะส่วนท่านเพ็ญบูล น, นั้นสารทิตย์ท่ไม่ได้พักเพียงแต่ว่าเปลี่ยนไปสนทนาธรรมที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเวลาเดียว ก, กันกับที่นี่เหมือนกันน ะ, นะคะดิฉันสัญชินาพงศ์รายการสรญชีนสนท น, นาจะมาพบท่านในวันจันทร์เราพักเสาร์อาทิตย์กันสองวันค่ะพุทธวสวสดีนะคะ